ยามากาลิกสัตตาหากาลิกและยาวชีวิกนอกนั้นชื่อว่าของเคียวที่ชื่อว่าของฉันได้แก่โภชนะห้าคือข้าวสุก ข, ขนมกุมมาทข้าวตูปลาเนื้อพริกสุ ร, รับประเค้นด้วยตั้งใจว่าจะเคียวจะ ฉ, ออกกฉันต้องอบัตทุกกฎฉันต้องอบัดปราจิตีทุกๆคำกลืน